สอถึงความเป็นไปในทางตรงข้ามคือเมื่อจะไม่ได้เสบเทนนาอันอร่อยตัณหาก็ไม่ยอมเา้าหรือจูงใจให้กระทำหนาซ้ำบางทีกลับจูงใจหรือเราไปในทางตรงข้ามคือจูงใจไม่ให้ทำาสอีกทั้งที่การกระทำนั้นเป็นไปเพื่อผลดีที่พึงประสงค์ตัวอย่างเช่นเมื่อป่วยไข้